ล้อมยังพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งภาวนาดีขึ้นไหมเดือนหนึ่งในี่ใครไม่ได้ภาวนาบ้างมีไหมที่ไม่ทำเลยมีไหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจชื่นใจว่าลูกศิษย์ไม่โกหกอะ่ะนะได้ทำในรูปแบบไหมต้องทำนะถ้าเราอยาก ได้มาผลนิพพานท ว, วันหนึ่ง10นาที15นาที 1, นิดเดียวเทียบกับที่พระพุทธเจ้าท่านทำนะเทียบกันไม่ติดอะ่ะท่านกว่าจะค้นคว้ามาได้ยากเย็นแสนเข็ญเอามาสอนเรานะท่านอุตสาห์พัฒนาคำสอนของท่านจนกระทั่งคนธรมธรมดาธรรมดานี่คนกลางๆขนาดกลางนี่ทำได้ไม่ใช่ต้องอัจฉริยะบูรุษอัจฉริยะสตรีรือก็ทาได้นะ ชาวบ้านธรรมดาที่แหละทำได้คำสอนของท่านมันไม่ใช่เรื่องอยากเย็นแสนเข็นเกินวิสัยมนุษย์ปกติจะทำมันอยู่ที่ว่าเรามีศรัท ธ, ธาที่จะทำไหมแล้วก็ลงทุนลงแรงปฏิบัติเอาอยากได้ของดีก็ต้องทำนะของฟรีไม่มีของฟรีไม่มีมมถ้าเราปล่อยใจเราฟรีเมื่อไหร่นะใจเราไหลลงต่ำทันทีเลยโดยธรรมชาติของจิตไนะหลลงต่ำตลอด เ, เวลา งั้นเราก็ต้องพยายามฝึกของเราทุกวันทุกวันตั้งใจรักษาสี่ห้าสี่ห้าพอแล้วละ่ะนานๆถือสี่8ลองดูบ้างก็ได้แต่ถือประจำในลำบากคารวานะทำงานหนักทั้งวันเย็นไม่กินข้าวไม่นานโลกพเพาะก็ถามหาเอาแค่สีลห้าก็พอดีแล้วละ่ะแบ่งเวลาไว้ทุกวันปฏิบัติ สิบห้านาทียี่สิบนาทีปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าแทนคุณท่านกนะว่าท่านจะได้ธรรมะม า, มายากเย็นแสนเก็นเราพาวนาตามท่านคนที่ค้นคว้าบุกเบิกมนะัยากคนเดินตามจะไปยากอะไรเห็นรอยอยู่แล้วว่าเขาเดินกันทางนีนะ้คนที่เดินคนแรกเนี่ยโอ้ลำบากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอันไหนถูกกันไหนผิดนะต้องลองแล้วลองอีกอยู่นั่นแหละนัเลยใช้เวลานาน เราเดินตามหลังท่านนะท่านสอนอะไรเราก็ทำไปให้ทำอะไรเราก็ทำนะท่านให้เว้นอะไรเราก็เว้นซะว่าเท่านั้นเองการปฏิบัติบางคนก็มักง่ายนะแค่บอกว่ารู้สึกตัวเฉยๆดูรู้สึกตัวเฉยๆพอแล้วไม่พอรู้สึกตัวได้มันเป็นแค่ว่ามีสมาธิที่ถูกเท่านั้นเองดันั้นเราต้องมีงานที่ต้องทำนะพระเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วบาปอกุศลอะไรมีอยู่คอยละเอา กุศลก็คอยเจริญเอาฝึกจิตให้มันผ่องแผ้วด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นลำดับลาดับไปนะกรรมฐานที่ท่านสอนพวกเรามีตั้งเยอะตั้งแยะแต่จริงๆแล้วกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยใช้นิดเดียวคนแต่ละคนนะที่จะภาวนาไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยใช้กรรมฐานไม่มากที่ท่านสอนไว้มากมายเพราะว่าจริตนิสัยคนมันเยอะหลากหลาย ท่านเป็นเรียกธรรมราชาราชาของธรรมะเป็นศาสดา น, นท่านเมตตาสรรพสัตว์จำนวนมากคนจำนวนมากมนุษย์เทพลมจานวนมากคำสอนของท่านก็เลยกว้างขวางหลากหลายแต่ถ้าเราไปดูในพระสูตรนะเราจะเห็นด้ว่าคำสอนที่ท่านสอนคนคนหนึ่งเพื่อบรรลุมรควนนิพพานะนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรหรอก อย่างสอนปัญจวัคคีนะเทศสองปันเองอันแรกเรื่องธรรมจักรกับพวัฒนาสูตรว่าทางสายกลางเป็นยังไงอย่าสุดตรงไปข้างตามใจกิเลสอย่าสุดตรงข้างบังคับตัวเองทรมาไการทรมานใจเดินอยู่ในทางสายกลางของศีลสมาธิปัญญาเาเทศกันที่สอ ง, นะองเทศเรื่องความเป็นอนัตตานะของขันห้า ให้เห็นขันห้าเป็นอนัตตาถ้าเรารู้ว่าท่านสอนปัญจวัคคีย์บรรลุพระอรหันต์โดยการสอนให้เห็นอนัตตาเนี่ยเราบอกได้ไหมว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยเป็นพวกแบบประเภทไหน น, นักปฏิบัติแบบไหนศรัทธามากสมาธิมากปัญญามากพวกไหนรู้ไหมพวกปัญญามากนะอย่างกลุ่มปัญจวัคคีย์ต้องถือเป็นกลุ่มปัญญชน ไม่ได้นั่งสมาธิเงียบเงียบเลยเป็นพวกปัญญาชนเป็นนักปราศพวกนี้ปัญญากล้าพระเจ้าก็สอนคนกลุ่มนี้เหมาะเหมาะกับ ก, บกรรมฐานอะไรบ้างเบื้องต้นแต่เดิมชอบทรมานกายท่านก็สอนให้เข้าทางสายกลางพอเข้าทางสายกลางได้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็สอนให้ดูขันห้าเป็นอนัตตานะกรรมฐานนิดเดียว ท่านกมาฐานกันนิดเดียวนะั้นท่านบรรลุพระอรหันต์กันหรือนะสอนแต่ละองค์แต่ละองค์นะถ้าเราไปดูแล้วมีไม่มากอนะสอนไม่มากนะนี่พอรวมๆกันทุกองค์นะก็เลยเยอะงั้น พ, พวกเราไม่ต้องตกใจว่ากรรมาฐานมีตั้งเยอะจะปฏิบัติยังไงให้ได้ครบนะแต่ละคนนิดเดียวเราก็ดูตัวเราเองว่ากรรมาฐานอะไรเหมาะกับตัวเราเองการปฏิบัติ กรรมฐานมันมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานฝึกให้ได้สมาธิกับส่วนของวิปัสสนากรรมฐานฝึกให้ได้ปัญญาแล้วก็สังเกตตัวเองเอาพวกเราถ้าเราคนไหนเป็นพวกราคะรุนแรงเจออะไรก็ชอบหมดเลยเจอเมียชาวบ้านก็ชอบนะเจออะไรแล้วก็อยากได้ไปหมดเลยนะมี iPhone 5อยากได้ไอโฟนหได้6แล้วอยากมี7อีกไหนนะ เนี่ยใจมันโลภมากก็พิจารณาอะไรนี้พวกโลภะมากถ้าบ้า ก, กามมากก็พิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาษะอะไรนี้นะถ้าแม้มันโลภไม่รู้จักเลิกเลยนะอาจจะพิจารณาความตายโอ้ได้ไอโฟนเท่านั้นเท่านี้นะมันก็ตายเหมือนกันนะพิจารณาอย่างนี้คนไหนขี้โมโหก็พิจารณาเจริญเมตตานั่งนึก แผ่เมตตาไปสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงมีส่วนได้เสวยผลบุญที่เราได้ทําแล้วเถิดอย่างเงี้ยนั่งนึกไปเรื่อยๆนะทีแรกก็นึกนึกเอานึกไปเรื่อยๆใจมันเย็นใจมันก็สงบร่มเย็นขึ้นมาอันนี้กระแสเมตตาจริงๆก็จแผ่ออกไปนะี่ ก, กรรมฐานถ้าทําอย่างนี้นะใจก็สงบดูตัวเองราคะมาก ก็พิจนาปฏิคูณาสุภาพไปโทรสามารถเพราะว่าเจริญเมตตาเงี้ยถ้ามันฟุ้งเก่งอาจจะบริกรรมเมาพุดโธพุดโธไปหรือรู้ลมหายใจไปใจไม่ชอบหนีไปที่อื่นก็พามันมาอยู่กับลมหายใจอันเดียวไม่ไปที่อื่นอย่างนี้ก็ใช้ได้หรือถ้ามันมีนิสัยชอบคิดคิดอุรดรุนเลยคิดไม่เลิกบางคนก็พยายามฝืนตัวเองอย่าคิดอย่าคิด มันสั่งไม่ได้ใจมันชอบคิดมันก็จะคิดนะงั้นก็แทนที่จะไปฝืนมันนะก็พามันคิดเลยพาไปคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านดีนะเมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสมีความทุกข์เหมือนเราีนท่านก็สะสมคุณงามความดีของท่านไปนะจกนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้านะท่านตรัสรู้ด้วยปัญญาของท่านเองมีปัญญาอย่างเลิศเลยมีปัญญาที่คุณ เข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดมีบริสุทธิ์ที่คุณแล้วท่านอย่างเอื้อเฟื้อเอาธรรมะมาแจกแจงมีกรุณาที่คุณนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอะไรเียคนที่ชอบคิดก็พามันคิดแต่คิดเรื่องที่ดีอย่างคิดเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆนะ์คิดถึงทานที่ได้ทำแล้วนะเราไปปล่อยปลามาตัวหนึ่งนะคิดทุกวันทุกวันนะไปปล่อยลงแม่น้นะ ปลาตัวนี้ลงแม่น้ำอย่าไป น, นึกถึงตอนปล่อยปลาลงกระทะนะปล่อยลงแม่น้ำตัวหนึ่งต่ลงกระทะหลายตัวอย่างเงี้ยถ้าเราไปคิดซ้ำนะเท่ากับทำบาปใหม่เลยบุญทั้งหลายเนี่ยถ้าเราทำแล้วเราคิดซ้ำเนี่ยได้บุญอีกนะจิตมันจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลใหม่ได้บุญใหม่นะงั้นอย่างเราได้ทำทานปล่อยปลาตัวหนึ่งได้ทาทานหรือคนมาด่าเรา เราอาภัยได้นี่ก็เรียกว่าเอาพยทานเอาพยธทานนี่ไม่เสียเงินเสียทองอะไรเลยคือเรามีความรู้คนเขาไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขานี่เป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานอะไรก็ว่าไปเนี่ยเวลาเราทำทานนะเราคิดถึงเรื่อยๆเนี่ยใจเราก็มีความสุขหรือเรารักษาศีลตั้งใจรักษาศีลอย่างเข้าพรรษาเราจะรักษาศีลสามเดือน รักษามาได้สมเดือนนะออกพรรษาแล้ ว, <ด>วเวลานึกได้ว่าเรารักษาศีลมาสมเดือนนะใจมันจะมีความสุขนะมันจะมีความสุขมันจะอิ่มเมอิบเบิกบานใจพอมันอิมมอ่มเอิบเบิกบานใจมีความสุขนะสมาธิเกิดเลยเพราะเมื่อไหร่ใจมีความสุขนะสมาธิมันจะเกิดสมาธิมันเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุนใกล้ให้เกิดสมาธิเนี่ยเรานึกถึงคนดีๆ เราช่างคิดนะเราก็คิดถึงคนที่ดีๆมพราะเราชอบพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวดียังไงก็คิดไปเรื่อยๆใจเราก็มีความสุขใจก็มีความสงบมันมีความสุขแล้ว ม, มันก็สงบเลยคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจนี่คิดถึงลมหายใจต่างกับการทําอานาปัญสติทั่วๆไปยังไงอานาปัญสติถ้าเป็นอานาปัญสติแท้ๆนะ มันจะเป็นการที่เรามีสติรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใจไม่หนีไปที่อื่นอันนี้จะเข้าฌานนะแต่ถ้าเป็นการคิดถึงลมหายใจนะก็คิดอย่างนี้ว่านี่มีชีวิตอยู่ชั่วลมหายใจนะเนี่ยเราชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะหายใจเข้าแล้วถ้าไม่ได้หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอย่างเงี้ยคิดพิจารณาไปใช้ความคิดเอา คิดอย่างนี้ใจก็ค่อยๆเชื่องค่อยๆสงบไปเนี่ยสาหรับพวกชอบคิดมากนะทำไมหลวงพ่อสอนตรงนี้เยอะเพราะพวกเรายุคนี้เป็นพวกคิดมากนี่บางคนจะทํากรรมฐานจะไม่ให้คิดจะมารู้แต่ลมอย่างเดียวไม่ให้คิดจะดูให้เห็นเป็นปฏิภาคนิมิตเห็นแสงสว่างจะเจริญเมตตาปรมัญญาอะไรต่ออะไรไปไม่ค่อยไหวใจมันช่างคิดนั่งทําอะไรนิดเดียวก็วแอบไปคิดแล้วถ้ามันช่างคิดมากก็พามันคิดเลย นะไม่ต้องไปฝืนมันแต่มาคิดในเรื่องที่ควรจะคิดที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ให้ก็นะมีอยู่ในเรื่องที่เรวย อ, อนุสติอนุสติ10บประการเราไปคิดเรื่องพวกนั้นแหละดนะีถ้าจะพูดก็พูดสิ่งที่เรียกว่ากะถาวัตถุ10ประการถ้าคุยกันเรื่องนี้ดีนะคุยเรื่องการทําทานรักษาศีลนะเรื่องทำสมาธิเรื่องมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรอะไรพวกนี้ก็นะ ถ้าคุยก็คุยแล้วผู้นี้ใจก็จะดีไม่ฟุง้งนะแต่ถ้าคุยต้องคุยตามความเหมาะสมคุยทั้งวันทั้งคืนสนธนาธรรมต้องตามการอย่างนี้เป็นมงคลสนธนาธรรมทั้งวันทั้งคืนเป็นอภะมงคลนะใจฟุง้งไม่ดีเนะ่เราก็ดูตัวเองนะหรือถ้าทำอะไรไม่ได้เลยนะสวดมนต์สั้นๆในใจไปเรื่อยๆนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้ก็ได้นะ หรือมันยาวไปก็ให้สั้นกว่านี้นะพุโทโธพุโทโธพุทโธแค่นี้ก็สั้นแล้วนะหรือว่านโมยังสั้นไปคําให้ยาวกว่านั้นอีกเอาอีกดีปีสงก็ไดนะ้ดูตัวเองแค่ไหนพอดีสวดแค่ไหนแล้วสบายใจตรงนั้นแหละพอดีสําหรับเรานะแต่ไม่ไม่พอดีสําหรับคนอื่นนะเนะนี่ยเราดูตัวเองว่าเราทํากรรมฐานอะไรแล้วสบายใจนะเราก็ทกํากรรมฐานอันนั้นแหละเราจะได้สมาธิขึ้นมา นี่พอในถึงขั้นเจริญปัญญาเราก็ดูตัวเองอีกนิสัยเราเป็นพวกไหนพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูกายนะถ้าเป็นพวกคิดมากควรจะดูจิตหลังๆนี่หลวงพ่อจะสอนลงมาที่ให้ดูจิตเนี่ยเยอะจนคนนึกว่าหลวงพ่อสอนแต่ดูจิตไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อดูกายก็มนะีบางคนทําฌานก่อนนะแต่คนทําฌานก่อนแล้วออกมาดูกายอะไรเนี่ยมีไม่มากเพราะคนยุคเรา ที่ทำฌานได้มันเหลือน้อยลงเต็มทีแล้ววันวันะมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านเต็มไปหมดเลยเปิดโทรทัศน์เข้ามาก็มีแต่เรื่องยั่วกิเลสใช่ไหมเปิดหนังสือพิมพ์มาอ่านก็มีแต่เรื่องยั่วกิเลสนั่งรถไปเห็นป้ายข้างถนนก็มีแต่เรื่องยั่วกิเลสไม่ค่อยมีนะป้ายที่บอกว่าให้เมตตาต่อกันให้มีสติอะไรต่อไหนไม่ค่อยมีหรอกมีแต่ชวนซื้อของโน่นซื้อนี่นะชวนให้เราเกิดกิเลสเนีนั้นเรามีผัสสะเนี่ยกระตุ้นตลอดเวลานะ โอกาสที่แม้ใจสงบใจวิเวกอย่างสมัยครูบาอาจารย์มันทำยากครูบาอาจารย์เรารุนเนี่ยดูรุ่นนี้นนยังรุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่ๆเนี่ยรุ่นอย่างเนี้ยทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่ป่านะว่าท่านก็อยู่กับป่าอยู่กับเขาอยู่กับถ้ำนะให้ท่านมาดูจิตท่านจะดูอะไรไม่มีอะไรมันเงียบเงียบสบายนะท่านก็ดูกายทำความสงบแล้วก็มาดูกาย เข้าเข้าใจติดนะนรุ่นรุ่นท่านอยู่ป่าอยู่เขานะข้างหลังนน้นนะรุ่นอยู่ในเมืองนะมีอยู่คนเดียว่็โดดเดี่ยวมากเลย <c oughs> เพราะทุกวันนี้มันไม่มีป่านะแถมป่าไม้เขาห้ามพระไปทุ ด, ดงอีกนะอะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าไปก็ต้องขออนุ ญ, ญาตอะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นใจเขาเหมือนกันพระเข้าไปแล้วไม่ยอมออกแล้วพาชาวบ้านเข้าไปด้วยตอนหลังก็บุก ป, ป่าเขาก็หวงป่าขึ้นมาเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วเราจะทำกรรมาฐานนะทำฌานทำอะไรให้มันสงบมิเบกอะไรนะั้นยากขัดสามันแรงงั้นเราทำฌานไม่ได้เนี่ยออกมาดุกกายยากกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถยานิกหลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเนี้ย ใครจะเชื่อไม่เชื่อไปเถียงกับพระอภิธรรมเอานะกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะคนเล่นฌานนะส่วนจิตตานุปัสสนาการดูจิตดูใจเนี่ยเนะหมาะ ก, กับวิปัสสนาญานิกนะพวกที่เดินวิปัสสนาไปก่อนจเจริญปัญญาไปก่อนนะทําฌานฌานจะเกิดทีหลังนะเดินปัญญาไปเต็มภูมินะจิมจะรวมเข้าฌานเอง เข้าเองเราไม่ต้องเข้าเราไม่เข้าของมันเองเั้นเมื่อยุคนี้สมัยนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะทนะํฌานนันมันยากผัสสะมันก็รุนแรงทุกคราวที่ตามองเห็นใจก็แกวงทุกคราวที่หูได้ยินเสียงใจก็แกว่งจมูกได้กลิน่นใจก็แกว่งลิ้นได้รสใจก็แกว่งเดี๋ยวนี้รสก็เยอะใช่ไหมรสรสชาติของกินอะ่ะหลากหลายสมัยครูบาอาจารย์ อาหารไม่ถูกปากไปบินธบาติแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่บาทเปล่าๆอาหารไม่ถูกปากนะออไม่ได้ถูกปากเลยของเราอาหารไม่ถูกใจของเรามีมีกินมีอะไรอย่างนี้เยอะอาหารไทยกินอย่างเดียวไม่พอต้องกินอาหารฝรั่งอาหารจีนนะอาหารลาวอาหารไะไต่ออะไรเนะื้อรสมันหลากหลายนะรูปก็หลากหลายเมื่อก่อนไม่มีอะไรดูมีแต่ต้นไม้มีแต่ภูเขา คนก็แต่งตัวเหมือนๆกันเดี๋ยวนี้คนทำผมยังไม่เหมือนกันเลยมีให้ดูเยอะกลิ่นก็แปลกๆแต่แก่อนมีแต่กลิ่นดอกไม้ไม่กี่อย่างนะเดี๋ยวนี้สารพัดกลิ่นเลยกลิ่นน้ำเน่ากลิ่นควันรถเนี่ยก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสารพัดจะกลิ่นเลยเพอกลิ่นมากระทบใจเราก็แข็งเมื่อเราเนี่ยได้รับการกระทบอารมณ์นะทางตาหูจมูกลิก้นกายใจนี่อุตลดเลยทั้งวันใจคิดจิตก็แข็ง พอเราใจคิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลคิดเรื่องนี้เป็นอกุศลคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกเนี่ยใจก็แกว่งไปเรื่อยๆเมื่อใจมันช่างแหวงนะจะไปห้ามมันอยากว่าอย่ากแกว่งอยากก่าแหวงแล้วห้ามมันไม่ได้ไหนๆใจเราก็แหวงเก่งแล้วนะเราก็ดูมันไปเลยเห็นมันแกว่งนะตามองเห็นใจมันสะเทือนขึ้นมานะกเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดยึดถืออารมณ์เกิดทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทัน ถ้าตาหูจมูกนิ้วจใจกระทบอารมณ์นะแล้วสติเราเร็วนะเราจะเห็นมันมีความไหวความไหวความสะเทือนขึ้นทางกลางหน้าอกเนี่ยจะสะเทือนขึ้นจากกลางอกนะตามองเห็นเนี่ยสะเทือนขึ้นมาหูได้ยินเสียงสะเทือนขึ้นมาถ้าสติเราไวเราเห็นความไหวขึ้นกลางอกมันจะไม่ปลูกต่อจะเห็นความไหวเกิดขึ้นแล้วก็ดับไหวขึ้นแล้วกดับแต่ว่ามันจะไม่รู้ว่าคืออะไร มันไม่รู้วปลุกอะไรเพราะมันยังไม่มีการสําคัญมั่นหมายนี้ถ้าสติเราไม่ไหวพอนะมันไหวตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดมันไหวขึ้นกลางอกสติไม่ทันนีมันจะเริ่มปลุกขึ้นมานี่ปลุกเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างนะพอมีความสุขความทุกข์ถ้าเรารู้ทันก็จบไปถ้ารู้ไม่ทันมันปลุกต่ออีกนะมีความสุขนะปาค้าก็แทรกเข้ามามีความทุกข์โทสะก็แทรกเข้ามาเฉยเฉยจับอารมณ์ไม่ถูกนะ โมหะก็แทรกเข้ามากิเลแสแทรกตามเวทนาเข้ามาถ้าเราเห็นตรงที่มีกิเลสนี่ก็ยังใช้ได้แต่นะตรงเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมากิเลสดับยังไม่ทันทํากรรมใช้ไดนะ้เรียกว่าเราละในขั้นของกิเลสเนี่ยรามีสติรู้ทันในขั้นนี้นะจิตจะไม่ทํากรรมจิตจะไม่ทูกข์หรอกนะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ทันมันจะเกิดความอยากจะเกิดความอยากขึ้นมาเขามีราคะมันก็จะอยากได้อยากมีอยากเป็น มีโทสามก็อยากให้หายไปอยากให้มันหมดไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันไม่เกิดนะเวลามีโมหะจับอารมณ์ไม่ถูกก็อยากได้อารมณ์มันใหม่นะใจมันจะมีความอยากเพราะเวลามีความอยากเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตจะเริ่มเคลื่อนออกไปไปสแสวงหาอารมณ์คล้ายๆหมาตัวนี้อ้าเสือก็ได้หนะมาแล้วดูถูกมากไปเสือตัวนี้หิวเลยออกจากค่าไปเนะที่ยวไปหากินออกไปหากินอารมณ์นั่นเอง ออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจออกไปเที่ยวหาอาหารอาหารของจิตก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นเองอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจพอไปเจออารมณ์ที่ชอบใจก็ตะครุบเลยแบบเสือตะครุบเหยื่อนะจับปุ๊บลงไปเลยตอนที่มันออกหาเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าตัณหานะใจมันสแสวงหาอารมณ์ออกไปอยากได้อารมณ์พอเจออารมณ์นะมันตะครุบไว้เรียกว่าอุปาทานนะพอมันตะครุบคราวนี้เลยเคยเห็นแมว จับหนูจับชิงจบไหมจับแล้วมากินทันทีไหมยังไม่กินต้องเฉี่ยวเฉียวเฉียเฉี่ยวให้มันวิ่งมันวิ่งก็โดดตะครุบอีกมันสนุกนะล่าไปเรื่อยเคยเคยดูเคยเห็นไหมบ้านไหนมีแมว้างมีไหมถึงแมวหมาตัวเล็กๆหน่อยก็เป็นนะก็สัญชาตญาณมันใจเราเนี่ยเหมือนไอ้พวกนี้แหละมันมีสัญชาตญาณใช้ไล่ตะครุบอารมณ์ ไล่ <L ight> แล้วก็อุ้ยมันนะไปเล่นกับอารมณ์ตัวนั้นอ่ะตัวที่มันเล่นกับอารมณ์นะเรียก ok ว่าสังขารหรือเรียก ok ว่าภ พ, พเพราะว่ามันยึดอารมณ์เมื่อไหร่นะมันจะไปสเสวย อ, อารมณ์ไปเล่นอารมณ์ไปกินอารมณนะ์ตัวนั้นแหละเรียกว่าสร้างภพถ้าไปจับอารมณ์ที่ดีก็เป็นภ พ, บพบที่ดีนะจับอารมณ์ที่เลวก็เป็นภพที่เลวจับอารมณ์ที่ดีทำภพที่ดีคือทํากรรมภพก็คือตัวกรรมนั่นเอง ทำกรรมที่ดีก็เกิดวิบากที่ดนะีเกิดวิบากดีเช่นทำศีลมาดนะีมีหน้าตาสวยนะมีสมาธิดีก็มีใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่วกแวกไม่เป็นโรคสมาธิสั้นอย่างเงี้ยมีปัญญามาดีก็เห็นโลกตามความเป็นจริงได้ง่ายอย่างเงี้ยใจมันคุ้นเคยอย่างนี้ก็เป็นอย่างนีนะ้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อย แต่ถ้าใจไปทำกรรมที่ชั่วนะมันก็รับผลชั่วรับผลชั่วแต่ไม่ว่าจะทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วนะสิ่งที่ได้มาเนี่ยจะได้พบที่ดีได้พบที่เลวพบที่ดีก็มีรูปมีนามที่ดีพบที่เลวมีรูปมีนามที่เลวแต่ว่ารูปนามทั้งหลายนั้นเอาข้อจริงคือทุกทั้งนั้นเลยเป็นทุกอย่างผู้ดีหน่อยหรือเป็นทุกอย่างผู้ร้ายหน่อยเท่านั้นเอง อย่างคนมีศีลมีธรรมหน้าตาสดสวยใช่ทุกไหมร่างกายนี้ทุกสวยก็ทุกใช่ไหมไม่สวยก็ทุกน่าเกลี ก, ก็ทุกคนที่จิตใจดีงามนะใครใครมีจิตใจดีงามบ้างยกมือซิมีไหม อ, อ็มีเหมือนกันนะส่วนใหญ่ไม่กล้ายกอะ่ะกลัวอยากยกมากเลยแต่ว่าบางคนอยากยกสองมือเลยนะ มือเดียวไม่พอกับความดีงามของเรายกสองมือเพราะยอมแพ้คือไม่มีดีเหลือเลยจิตใจที่ดีงามอย่างเราเห็นใครแล้วก็เมตตาสงสารนะสุขหรือทุกข์ื่อทีสงสารคนอื่นทุกข์นะคลุ่มใจแทนเขาเคยไหมกลุ่มใจแทนคนอื่นนี่แหละความทุกข์ของคนดีครุ่มใจแทนคนอื่ น, น ตัวเราเองไม่มีปัญหาแล้แต่ร่มใจแทนชาวบ้านนะทุกแบบคนดีมีเมตตากรุณาเมตตากรุณามากเลยทุกมากเลยนะทุกมากเข้ามากเข้านะช่วยเขาไม่ได้ใจเศร้าหมองตกนรกเองเลยคราวนีนะ้ใจพลิกกลับงั้นไม่ว่าเราจะได้พบที่ดีนะหรือได้รูปนามที่ดีได้พบเลวนะได้รูปนามเลวตรงที่ได้รูปนามมาเรียกว่าชาตินะมีพบแล้วมันก็มีชาติมีชาติแล้วมันก็มีทุก งั้นมีชาติเนะี่ยเกิดมาด้วยกุศลแท้ๆเลยนะมีกายมีใจขึ้นมาก็ายังได้ตัวถูกมาด้วยนะเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกเี่เวลาที่เราจะทํากรรมฐานนะเราก็ดูเอาดูเอาเองถ้าเราดูจิต ด, ดูใจได้ไวนะตาหูจมูกลิ้นกาใจกระทบอารมณ์ล้วเห็นมันเสะเทือนขึ้นมาเราก็ดับเสะเทือนแล้วก็ดับเห็นแค่นี้อย่างพอเลยนะ มันก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายเกิดได้เองดับได้เองเราบังคับไม่ได้ดูตรงนี้ไม่ทันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ก็เห็นว่าสุกขกับทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วก็ดับเองได้เกิดเองดับเองได้ด้วยเห็นกิเลสแทรกเข้ามานะกิเลสเข้ามาได้เองอีกนะเห็นความอยากเห็นความยึดเห็นการเสเวยอารมณนะ์เห็นการหยิบช่วยเอารูปนามกายใจขึ้นมานะีมันทําของมันเอง เนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้ถ้าคนไหนสติปัญญาช้าต้องทุกข์สักก่อนถึงจะเห็นอย่างนั่งภาวนาไปนะแน่นอึดเลยเป็นบ้างไหมเคยเป็นไหมภาวนาแล้วอึดัดแน่นไปหมดเลยโอ้ยทําไงจะหายมาถามหลวงพ่อ ว, ว่าหนูนั่งภาวนาจากนกะทังแน่นไปหมดแล้วทําไงจะหายเนี่ยไม่หายหรอกอันนี้เป็นวิบากเป็นวิบากเป็นทุกข์นะทุกข์แก้ไม่ได้นะทุกข์ได้แค่รู้ ถ้าอยากแก้ต้องแก้ต้นเหตุของทุกข์แก้กิเลสนะถ้าไม่มีกิเลสจิตจะไม่ทํากรรมไม่สร้างภพถ้าจิตไม่ทํากรรมจิตไม่มีวิบากแต่ถ้ามันมีวิบากแล้วมันทุกข์ไปแล้วนะถ้าจะมาบอกว่าจะไม่เอาทุกขนะ์เนี่ยไม่ได้เหมือนเรามีวิบากคือได้ร่างกายนี้มาร่างกายนี้เป็นวิบากนะเป็นผลบางคนก็เป็นผลจากกรรมดีส่งมาหน้าตาดีบางคนวิบากไม่ดีส่งมาหน้าตาไม่งามอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็ยังอยู่ใน ช่วงของความเป็นมนุษย์ได้นะถ้าเรวกว่านั้นก็ลงไปเป็นสัตว์ไปเป็นสัตว์ในอาบายไปนะถ้าดีกว่านี้ก็เป็นกายเทพกายพลมนะไม่ใช่กายอย่างของเรานี้กายอย่างมนุษย์เนี่ยบางคนก็กรรมดีให้ผลเยอะหน่อยบางคนกําชั่วให้ผลเยอะหน่อยหน้าตามยังไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าใครสุดท้ายมันตายหมดเลยนะเพราะว่ามันเกิดแล้วมันต้องดับวิบากตัวนี้นะยังไงก็ทุกข์ นี่แต่ว่าทำดีมาได้ผลดีผลดีสุดท้ายก็ทุกท์ทำชั่วมาได้ผลชั่วสุดท้ายก็ทุกข์แต่ต้องดีนะต้องทำดีถ้าทำชั่วเรายิ่งแย่ใหญ่ใจเราคุ้นเคยกับความชั่วโอกาสที่จะเกิดศีลสมาธิปัญญาให้พ้นออกไปเนี่ยยากมากค่อยๆฝึกนะเป็นไม่ยากอะไรถ้าทำกรรมฐานในยุคเราเนี่ยทำชาญไม่เป็นก็ดูจิตเอา หลักของการดูจิตง่ายๆเลยคืออันแรกเลยดูให้เห็นสภาวธรรมจริงๆหรือปรมามัตถธรรมจริงๆหรือดูให้เห็นจิตจริงๆนะดูให้เห็นเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงหลวงปู่เหรียนเทศใช่ไหมท่านเทศเรื่องปรมัตถธรรมใช่ไหมโอ้ท่านเทศดีนะเป็นครูบาอาจารย์รุ่นหลังที่หลวงพ่อชอบที่สุดเลยขนาดรุ่นหลังนะ่ะอายุถ้าถึงตอนนี้ก็ร้อยกว่าแล้ว ท่านถึงว่ารุ่นที่หลวงพ่อเรียนด้วยเนี่ยหลวงปู่เรียนเนี่ยเป็นรุ่นท้ายๆ ท, ท, ที่เรียนด้วยธรรมะของท่านดีมากท่านจะสอนถึงปรมาถ ธ, ธรรมจริงๆให้ดูรูปดูนามดูจิต ด, ดูใจดูของจริงเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีมากๆเลยนะงดงามใครเคยเจอท่านบ้างมียกมือสิใครไม่เคยเจอมีแม่มาไม่ทันเยอะเหมือนกันนะไม่เจอก็ลองฟัง ท่านยังมีอยู่ให้ฟังฟังง่ายฟังง่ายน่าฟังเสียงท่านเพราะมากเลยฟังแล้วใจก็สบายที่สำคัญนะท่านเทศยี่สนาทีไม่เทศนานา น, นะน่าฟังตรงนี้ <c oughs> คนอย่างพวกเรานะฟังนานมากไม่ได้กลุ้มใจนะเมื่อกี้ที่ได้ยินท่านพูดนะท่านบอกให้เห็นปรมามทธรร ม, มรู ป, ปรธรรมนา ม, มาธรรมเวลาเราจะดูจิตนะจิตมันเป็นส่วนของนา ม, มาธรรม เวลาเราดูจิตเราจะเห็นอะไรบ้างเราจะเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆที่เกิดที่จิตเวทนาเกิดที่กายก็ได้อย่างปวดเมื่อยร่างกายนี่เป็นเวทนาทางกายทุกใจทุกใจเนี่ยเป็นเวทนาทางใจสบายใจเป็นเวทนาทางใจงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจเนี่ยเราจะเห็นเวทนา เวทนาเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลาเวทนาเป็นสภาวธรรมเป็นปรมาท ธ, ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงงั้นเมื่อไหรมีจิตเมื่นั้นมีเวทนาแน่นอนถ้าดูเวทนาเป็นนะดูจิตได้ทั้งวันเลยเพราะมีให้ดูทั้งวันจิตของเราเนี่ยถ้าไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆใช่ไหมเนี่ยเวทนามีสา ม, มัญนะดักหัวดักท้ายดักตรงกลางไปหมดละไม่มีให้เลือกเลยไม่มีหนีเลยงั้นถ้าเราจะดูจิตดูใจนะั้นเราเห็นอะไรไหม จิต ท, ที่มีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจิต ท, ที่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะจิต ท, ที่เฉยๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปหากดูแค่นี้แหละมารู้พระอรหันต์ได้นะขั้นอานาคาเนี่ยได้แน่นอนนะหรือดูจิตดูใจจะเห็นอะไรอีกนอกจากสุขทุกข์ยังเห็นดีเห็นชั่วบางครั้งจิตเราก็เกิดอารมณ์ที่เป็นกุศลนะบางครั้งเราก็เกิดสภาวะที่เป็นอกุศล อย่างอยู่บ้านอยากมาฟังเทศอยากมาฟังเทศอย่าไปคิดว่าเป็นตัณหานะให้คิดเรียกว่าเป็นฉันทะมีความพึงพอใจจะฟังเทศตัณหาเนี่ยเอาไว้ใช้ทางเลีวฉันทะเนี่ยเอาไว้ใช้ในทางบวกนะเพราะฉะนั้นเวลาบางคนนะบอกว่าให้ละตัณหาซะเนี่ยบอกไม่ได้ถ้าละตัณหาเราเฉยไม่จริงครูบาอาจารย์ไม่เห็นจะเฉยเลยพุทธเจ้าไม่เห็นจะเฉยเลยขยันจะตายพวกเราไปดู ตารางการทำงานของพุทธเจ้าเราจะรู้นะงานหนักจริงตื่นแต่เช้ามืดนะฟ้ายังไม่สว่างเลยตรวจโกกรกธาตุแล้วว่าวันนี้จะไปสอนใครสำรวจก่อนวันนี้จะสอนใครเห็นไ้ยไม่ได้สอนตามยาถากรรมมีส케จว์ลูวันนี้จะไปสาะสอนใครจะไปสอนที่ไหนจะไปสอนอย่างไร จะสอนด้วยธรรมะบทไหนสอนแล้วจะมีผลอย่างไรเนี่ยนักวางแผนชั้นเลิศเลยนะถ้าเราวางแผนแวเวลาเราทําธุรกิจใช่ไหมเราต้องวางแผนมาหมดเลยเราจะทําอะไรธุรกิจตัวไหนจะทําทอย่างไรใช่ไหมเรามีทรัพยากรยังไงมีต้นทุนไงมีสิ่งแวดล้อมทางบวกทางลบอะไรใช่ไหมทำแล้วจะได้ผลสักเท่าไหร่ใช่ไหมต้องประเมินด้วยต้องคาดการณ์ไว้ด้วยปีนี้ต้องกําไรร้อยล้านอะไรเงี้ยต้องคิดไว้พระเจ้าท่านก็ เช้าขึ้นมานะท่านสำรวจเลยวันนี้จะไปสอนใครไปสอนที่ไหนสอนอย่างไรสอนแล้วจะมีผลอย่างไรนะถึงผลเลยนะเสร็จแล้วก็พอเช้าขึ้นม า, าไปบินธบาติตนะามไปบินธบาติระหว่างบินธบาตนะไม่ใช่ไปขอข้าวชาวบ้านกินนะแต่ไปเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทำบุญเนะเพราะว่าท่านนะเต็มเปี่ยมแล้วท่านไม่ได้ท่านอยู่วัดเฉยๆยคนก็เอาข้าวไปให้กินนะนี่ท่านออกไปบินบาตทําไมต้องไป เพราะว่าท่านจะไปหากลุ่มเป้าหมายของท่านนี่แหละไปเทศสอนคนนี้บางทีไปบินธบารดนะเสร็จเร็วได้อาหารแนะ้ท่านก็ไปแวะสำนักนิครสำนักปริพาชกสำนักโนนสำนักนี้นะไปแวะคุยสมัยก่อนนะเขาเขาดีมากเลยนะต่างสำนักกันเนี่ยเขาแวะคุยกันได้นะของเราชาวพุทธด้วยกันคนละวัดยังจตีกันเลยคุยกันไม่ได้ หรปริญัติกี่ับปฏิบัตินะเจอกันจซัด ก, กันตายเลยนะเหมือนมีพระพุทธเจ้าคนละองค์นี่ท่านไปคุยกันนะคุยกันถ้าเขาเห็นดีเห็นงามเขาก็เปลี่ยนศาสนาถ้าเขายังไม่เห็นดีเห็นงามก็คล้ายๆทิ้งประเด็นไว้ในใจเขานะท่านก็กลับวันนี้ก็จบแค่นี้นะได้ตามที่เป้าหมายที่ต้องการรู้คนนี้ยังไม่ได้ตอนเนี้ยแต่อีกเท่านัน้นเท่านี้ปีเขาจะปิ้งขึ้นมา พวกเราเคยจำพุทธประวัติตอนหนึ่งได้ไหมตอนพระเจ้าตัสสรู้ใหม่ๆแล้วท่านเดินไปนะแล้วไปเจออุปการชีวกอุปกาชีวกถามว่าท่านนภสงศสถามพุทธเจ้านะท่านองใสใครเป็นอาจารย์สมาบอกไม่มีใครเป็นอาจารย์ท่านเป็นอนันตชีนะผู้ชนะที่ไม่มีที่สิ้นสุดอุปกาชีวกก็แลบลิ้นใส่หนึ่งทนะีคนไทยอ่านตรงนี้นะอุ๊ยอนี้บาปมาก เขาเคารพนะเขาแอบลิ้นแสดงค่ามเคารพนะแต่พวกเราอยากเคารพหลวงพ่อแบบนั้นนะเพราะวัฒนธรรมไทยไม่เอื้อนะอย่ามาเจอหน้าหลวงพ่อก็น่าเกลียดนะแล้วก็สายหัวเลยอนันตชีนะในคนไทยอ่านว่าเขาสายหัวแอบลิ้นสายหัวไม่นับถือสายหัวของแขกเนี่ยโอ้เห็นดีเห็นงามเวลาไปอินเดียปวดหัวมากเลย นะมันถามอะไรเราพยักหน้านะถามจะกินอันนี้ไหมยพยักหน้ามันเก็บเลยนะพยักหน้าแปลว่าโนถ้าจะไม่เอาต้องอย่างี้ถ้าจะเอานะยุ่งฉมัดเลยเนะี่ยอุปกาชีวกนะแบลบลิ้นสายหน้าก็าไปแค่เนี่ยพระจ้าพอใจละท่านสอนท่านี้แหละหลายปีผ่านมานะอีตาอุปกาชีวกเนี่ยอยู่กับเมีย เมียน่ยชอบว่าเรื่อยเลยเมียขี้บ่นใครมีเมียขี้บ่นบ้างบอกในใจอย่ายกมือนะอันตรายมากเลยถึงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่เราตายแน่เลยะไม่มีอายุความเมียก็ว่าเรื่อยนะมุกปากกาชีวกเขเตียนแกอย่าว่าฉันนะฉันเป็นเพื่อนกับอนันตชีนะสุดท้ายเมียทนไม่ได้ไปไปแกไปอยู่กับอนันตชีนะของแกเลยนะออกมาบวชนะบรรลุองค์หนึ่งเลยนะ ท่านท่านให้เชื้อไว้นิดหนึ่งท่านนั่นเงถึงวันหนึ่งก็เติบโตงอกงามขึ้นมาเนี่ยภูมิของพระพุทธเจ้าสาวกทําให้เป็นออกขนาดนั้นไปบินธบานฉะันอาหารเสร็จแล้วโยมก็มาวาัดอีกละไปบ่ายโยมทําไล่ทลาํานาเสร็จแวะมาวาดัดมาฟังธรรมฟังธรรมเสร็จแล้วค้ามขามสอนพระอีก หรือบางกลางวันเช้าบางทีพระจากต่างจีนก็เข้ามาบ่ายๆพระเข้ามาเรียนกรรมาฐานตกเย็ยนชาวบ้านเสร็จงานลนะ้วเข้ามาเรียนตกดึกตกดึกถ้าสอนพระถ้าดึก ด, กดกึบางทีพวกพระเจ้าแผ่นดินมาสอนอีกพระเจ้าแผ่นดินไปพวกเทพจะมาพวกเทพจะมาตอนดึกๆรอให้คนไปก่อนรุงงานท่านหนักมากนะท่านมีเวลาพักวันหนึ่งนิดเดียว ท่านลำบากมากนะถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรักท่านมากทุ่มเทขนาดนั้นนะพวกเราอะสบายกว่าท่านเยอะงั้นตั้งอกตั้งใจภาวนานะอย่าชี้เกียรชี้เกียรก็ได้แต่ไม่เลิกกรรมฐานที่ง่ายๆก็คือคอยรู้จิตรู้ใจของตัวเองไปนะรู้ได้ละเอียดก็รู้ไปรู้ได้ช้าก็รู้นะรู้หยาบก็ได้รู้ได้เร็วก็รู้รู้ไปรู้ได้ช้าก็รู้นะ รู้ได้ละเอียดก็รู้รู้ได้หยาบก็รู้ไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียดสอนธรรมะอันเดียวกันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันนะเพราะงั้นบางคนบอกว่าโอ้หนูถ้าจะแย่แล้วเขาส่งกันบ้านเขาบอกเขาเห็นจิตไหวไหวหนูไม่เคยเห็นเลยหนูเห็นแต่โกรธหนูเห็นโกรธหนูก็ใช้ได้เพราะโกรธก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไอ้ไหวไหวนี่ก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เหมือนกันใช่ ไ, ไหมของอันเดียวกันเพราะว่าที่เราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูสภาวะที่หยาบหรือละเอียดนะ ปรมามธธรรมที่เราดูเนี่ยเราดูความเป็นไตรลักษณ์ของเขาะนี่ยเราดูเนี่ยดูให้เห็นสภาวะจริงๆไม่ใช่คิดเอาให้เห็นความสุขความทุกข์ที่มีอยู่จริงๆให้เห็นกุศลให้เห็นโลภโกรรหลงที่มันมีอยู่จริงๆให้เห็นจิตเหนใจที่มันมีจริงๆจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจวิ่งไปคิด พเราเรารู้จักใช่ไหมจิตที่วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดถ้าเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งในเรื่องนี้หมูมากเห็นอยู่แล้วล่ะหมูมากแมวน้อยนะหรือหมูมากหมาน้อยใจมันจะวิ่งวิ่งวิ่งนี่เราดูมันมันเกิดดับมันวิ่งไปดูแล้วมันก็ดับมันวิ่งไปฟังแล้วมันก็ดับมันวิ่งไปคิดแล้วมันก็ดับมันเกิดดับมันจะดูมันก็ดูได้เองมันจะฟังมันก็ฟังได้เองมันจะคิดมันก็คิดเอง สั่งไม่ให้คิดมันก็คิดเองเนี่ยสั่งให้เลิกคิดมันก็ไม่เลิกเนี่ยมันทำได้เองตลอดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูจิต ด, ดูใจดูนมามธรรมนะแรกเลยดูให้เห็นสภาวะจริงๆสภาวะของสุขทุกข์ที่เกิดสภาวะของดีชั่วที่เกิดสภาวะของจิตใจนะซึ่งเกิดดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นสภาวะนี้วิธีเห็นนะก่อนจะเห็นอย่าดักดูให้สภาวะเกิดก่อนค่อยรู้เอา ในหลักของการดูจิตนะข้อที่หนึ่งต้องดูให้เห็นปรามัตตธรรมให้เห็นสภาวะข้อที่2วิธีเห็นสภาวะวิธีจะเห็นสภาวะอันแรกเลยก่อนจะเห็นเนี่ยอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูถ้าไปรอดูไปดักดูจะไม่เห็นอะไรเลยมันจะว่างนะระหว่างที่ดูนะดูห่างๆอย่า ก, กระโจนเข้าไปดูอย่าถลําลงไปดูดูแบบคนวงนอกดูเหมือนว่าเราเห็นคนอื่นนะอย่างเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะ เห็นเหมือนคนอื่นโกรธเราเป็นแค่คนดูต้องเป็นแบบนั้นถ้าใจกับความโกรธไปรวมเข้าด้วยกันนะมันจะกลายเป็นเราโกรธพอเราโกรวดูไม่ได้แล้วแต่ถ้าจิตมันอยู่ต่างหากมันเห็นว่าความโกรธผ่านมา <ส ONEY. S 1> เหมือนเห็นคนอื่นโกรธอย่าเงี้ยอันนี้มันจะเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่เราไอ้จิตนี้ก็จะไม่ใช่เราด้วยความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธก็บังคับไม่ได้จิต น, นี้ก็ไม่เที่ยงจิตก็บังคับไม่ได้มันจะเห็นของมันนะ นั้นก่อนดูอย่าไปดักดูระหว่างดูอย่าถลําลงไปดูดูห่างๆดูแล้วอย่าแทรกแซงเวลาที่จิตของเราไปเห็นสภาวะนะบางสภาวะจิตก็ยินดีบางสภาวะจิตก็ยินร้ายถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายให้รู้ทันอย่าไปห้ามว่าห้ามยินดียินร้ายบางคนก็สั่งจิตนะไม่ว่าเธอตั้งแต่นี้ไปไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรเธอต้องอุเบกขาสักว่ารู้ว่าเห็น เนี่ยหลวงพ่อได้ยินบางคนพูดกรรมฐานนะสักว่ารู้ว่าเห็นต้องหันไปมองหน้าอย่างเธอไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกเธอยังไม่เห็นอะไรเลยนะสักว่ารู้ว่าเห็นไม่ใช่เรื่องกระจกนะสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยมันเป็นจิตซึ่งมีปัญญาอย่างแก่กล้ามากๆแล้วนะจิตถึงสังขารูเ้เบกขายานมีปัญญาจนกระทั่งเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วถึงขนาดนั้นแลถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นได้ ถ้าก่อนหน้านั้นไม่เป็นหรอกนะมันจะไปเห็นอย่างนี้ก็ยินดีไปเห็นอย่างนี้ยินร้ายไปได้ย like, like. like. ินอย่างนี้ก็ยินดีได้ยินอย่างนี้ยินร้ายนะไปคิดอย่างนี้ยินดีคิดอย่างนี้ยินร้ายได้รดอย่างนี้ยินดีได้รดอย่างนี้ยินร้ายนี่มจะกระทบอารมณ์นะแล้วเกิดยินดียินร้ายต่ออารมณ์ไม่ห้ามให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันเมื่อไหร่นะจิตจะเข้าไปแทรกแซงอารมณ์เช่นเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้น เราไม่ชอบจิตก็จะแทรกแซงด้วยการหาทางทําให้ความทุกข์หายไปนะทํำยังไงจะดับทํายังไงจะดับเวลาพวกเราภาวนาแล้วเคยอึอดัดไหมเคยแน่นๆเคยอึอดัดบ้างไหมภาวนาอยากให้หายไหมเนี่ยมันจะแทรกแซงนะให้รู้ทันว่าจิตยินร้ายแค่นี้พอแล้วรู้ทันว่าจิตยินร้ายทันทีที่รู้ว่าจิตยินร้ายความยินร้ายจะดับอัตโนมัตินะจิตจะเป็นกลางแต่อันนี้กลางเพราะสติไม่ใช่กลางด้วยสังขารุเปเกขาญาณ เป็นแค่กลางเบื้องต้นกลางด้วยสตินะหรือมันยินดีขึ้นมารู้ทันนะความยินดีก็ดับจิตที่ก็เป็นกลางด้วยสติมีสติไปรู้ทันความยินดียินร้ายความยินินร้ายดับจิตเป็นกลางกลางชั่วคราวเดี๋ยวก็ยินดียินร้ายใหม่นะนี่ค่อยรู้ไปเพราะจิตมันเป็นกลางแล้วเนี่ยดูสภาวะทั้งหลายทํางานต่อไปก็เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะนี่หลักของการดูจิตนะ อันแรกต้องดูให้เห็นสภาวะจริงๆไม่ใช่คิดเอาอันที่สองต้องดูให้ถูกวิธีดูให้ถูกก่อนดูอย่าไปดักดูอย่าไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูเอาข้อที่สองของการทําให้ถูกก็คือดูห่างๆดูแบบคนวงนอกอย่าถล่มเข้าไปดูนะแล้วก็ดูแล้วเกิดยินดีให้รู้ทันเกิดยินร้ายให้รู้ทันนี่หลักของการดูจิตให้เกิดปัญญาไม่ใช่ดูจิตนิ่งๆว่างๆนะอันนั้นดูจิตให้เกิดสมถะ งั้ส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันที่เขาบอกเขาดูจิตดูจิตนะนะติดสมถะเกือบทั้งนั้นเลยที่หลวงพ่อเจอนะมีเขียนหนังสือเขียนตำราตำราสอนกันในตอนไรเนี้ยติดสมถะ้ะเกือบทั้งหมดเลยไม่ได้เห็นสภาวะเกิดดับจริงๆอะ่ะบางทีเห็นแต่เหลือตัวหนึ่งเที่ยงเห็นความรู้สุกทุกข์เกิดดับเห็นความดีความชั่วเกิดดับแต่จิตตัวเนี้ยเที่ยงประคองจิตเอาไว้ ประคองตัวรู้เวลาประคนที่ประคองตัวรู้หน้าตามันจะไม่เหมือนคนปกติมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจะประคองไว้นะแล้วก็เห็นทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างเกิดดับแต่ไอตัวเนี้ยเที่ยงไอตัวนี้เที่ยงถ้ายังเหลืออยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะตัวรู้ตัวนี้ตัวรู้ปลอมตัวรู้ที่ใช้เดินบัญญาได้จริงต้องเกิดดับได้ไม่สงวนตัวรู้เอาไว้ท่านถึงสอนไงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเนี่ย ตัวจิตนะต้องไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเองตัวรู้นี่ทญญทเที่ยงวินญาณเที่ยงซะแล้วเนี่ยนะเป็นพระโสดาไม่ได้หรอกงั้นถ้าใครเห็นจิตเที่ยงนะรู้เลยนะไม่ใช่โสดานะยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะงั้นเราดูนะเห็นสภาวะเขาเกิดดับไปไม่สงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้เห็นทุกๆตัวที่เกิดนะีดับทั้งสิ้นงั้นเวลาเป็นพระโสดาบันนันทึงสรุปไงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ทุกสิ่งที่เกิดนั่นแหะดับทั้งสิ้นไม่มีสงวนตัวใดตัวหนึ่งไม่ให้ดับนะแล้วข้อที่สนะข้อที่1ต้องดูให้เห็นสภาวะข้อที่2ดูให้เป็นมีหลัก3ข้อก่อนดูอย่าดักดูระหว่างดูอย่าถล่มไปดูดูแล้วอย่าไปแทรกแซงนะประเด็นที่สดูให้มากดูให้บ่อยนะถ้านานๆดูทียากกิเลสเอาไปกินหมดวันๆหนึ่งหลงตลอดนะ ห ล, หลายวันมาดูจิตทีนึงโอ้จิตโกรธได้เองแล้วก็โกรธต่อไปเลยนะอย่างนี้ไม่ได้เลือกหรอกนะก็ดูให้ถี่ทีนะดูถ้าจะตื่นนอนมาดูไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับหลับไปแล้วนะจิตมันดูอัตโนมัติต่อนะหลับไปแล้วร่างกายนอนไปจิตลงพะวังนิดเดียวจิตก็ขึ้นมาอีกจิตนะั้นสว่างสวยัยเห็นร่างกายนอนกลนครอกๆเลยนะจิตนะั้นรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ความคิดไหลเข้ามา เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรมันรู้ได้หมดอ่ะแล้วเราจะฝึกได้นะทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ถ้าเหนื่อยทำความสงบถ้าเจริญปัญญามากไปเหนื่อยนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคิดถึงพระพุทธเจ้าไปคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงทานคิดถึงศีลอรของเราไปพอไหวไหมเชิญจอส่งกันบ้าง อย่าลืมดูให้บ่อยนะดูเป็ดแล้วดูให้บ่อยๆกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเคยส่งกันบ้านกับพระอาจารย์เมื่อน่าจะสักสามเดือนที่แล้วค่ะค่ะก็คือครั้งที่แล้วส่งไว้ว่าเวลานั่งแล้วมันร่างกายมันหนักหนักอะค่ะค่ะพระอาจารย์แนะนําว่าอาจจะไม่ถูกกระจริตเราค่ะแล้วก็ให้ไปหาดูว่าจริตเราอะไรมันเยอะที่สุดแต่คือไปดูมาแล้วแต่ว่าคือเหมือนเหมือน มันเยอะพอๆกันไม่รู้อะไรมากน้อยกว่ากันนี้ไปดูเลยนะเราเป็นคนช่างคิดฟุ้งซ่านเก่งนะงนั้นกรรมฐานที่หมอกับเราถ้าจะทำกรรมฐานสมถะก็ใช้กรรมฐานที่ต้องคิดหน่อยนะคิดถึงความตายคิดถึงร่างกายคิดถึงอะไรอย่างนงี้นะมันชอบคิดผามันคิดแล้วถ้าจะทำวิปัสสนาก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปค่ะขอบคุณค่ะกรรมสักการะ ขอถวายการปฏิบัติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ครับโอ้ซาตุต้องปฏิบัติดีด้วยนะเดี๋ยวถ้าเป็นเป็นฆาตรกรถวายทุกวันเราแย่เลยมาขอแนวทางการปฏิบัติฮะจนถึงที่สุดครับอืออแล้วให้หลวงพ่อกรุณาเมตตาขนาบด้วยจิตขณะนี้เป็นธรรมชาติไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะส่วนหนึ่งนะตื่นเต้นห้ามไม่ได้แต่พอตื่นเต้นแล้วเราแทรกแสงไหม มีขมบ้างใช่ตรงตื่นเต้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่ายินร้ายกับความตื่นเต้นแล้วก็เลยเข้าไปจัดการไปขมนะงั้นต่อไปเวลาที่เราภาวนาเราก็เห็นสภาวะแบบเดียวกันนี้เองเห็นมีสภาวะเกิดขึ้นจิต ด, ดีรู้ทันจิตร้ายรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยตอนนี้จิตถึงฐานไหมไม่แน่ใจครับนะจิตอยู่ที่หลวงพ่อหรือเปล่าล่ะ อยู่ครับเอถ้าจิตอยู่ที่หลบพ่อก็จิตไม่ถึงฐานเนี่ยเราก็สังเกตเอาเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันเห็นนะขันแยกละขันแยกได้ดีนะเพราะว่าจุดที่ขาดอยู่หน่อยหนึ่งคือเรื่องของสมาธินะสมาธิใจยังฟุ้งอยู่ต่ผมมีปฏิบัติในรูปแบบทุกวันวันละชั่วโมง คือให้รู้ทันทําในรูปแบบนะแล้วก็ให้รู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปรู้บ่อยๆรู้สบายๆนะไม่ประคองไม่รักษาจิตเนี่ยนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ ค, รรนะคือเราเราเป็นแค่คนดูใช่ไหมใช่เราเป็นแค่คนดูเราเไม่ต้องเข้าไปเล่นกับเขาเอออย่าไปเล่นนะเป็นคนดูไปของคุณอนะ่ะโดยพื้นฐานใช้ได้นะโดยพื้นฐานใช้ได้วันนี้มันเออเลไปเพราะว่าอันแรกเลยตื่นเช้านะ โมหะมจะแทรกง่าย<ฮ>ะจะเบลอๆไปง่าย <ฮะ S 2> ที่สองตื่นเต้นมั <ฮะ S 2> นะเลยเออเร่อไปหน่อยที่ฝึอกอยู่ก็ดีแล้วละแต่ <ฮะ S 2> จิตต้องถึงจิตจริงๆนะกับกับน้มันส ก, การหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาก็นานแล้วแต่รู้สึกว่าการภาวนามันไม่ก้าวหน้าเลยครับกำลังของสติมันอ่อนกว่ากำลังของกิเลสเยอะเลยครับโอ้นะให้เรารู้ทัน รู้ทันกิเลสตัวที่เกิดบ่อยๆคือตัวโทสะนะครับโทสะนี่เกิดบ่อยเกิดบ่อยไหมเยอะมากเลยนะให้รู้ตัวนี้แหละรู้สึกว่ามันจะทําอะไรมันก็แทรกเข้ามาแล้วใช่ใตลอดเลยครับหลวงพ่อนะให้เห็นไปเลยว่าจิตเดี๋ยวก็มีโทสะนะเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็ดับไปเกิดดับเกิดดับทั้งวันอย่าไปตกอตกใจกับมันมันกําลังสอนธรรมะเราแล้วก็เจริญเมตตาไปสวดมนต์ไปอะไรไป เวลาที่เราภาวนาดีน้ำมันมันจะแกล้งนะบางทีมันกระตุ้นกิเลสเราให้แรงกว่าความเป็นจริงครับหลวงพ่อรู้สึกไหมมันถูกแกล้งถูกกระตุ้นเมื่อกี้รู้สึกครับผมน้มานเนี่ยมีหลายพวกหลายพวกนะมีห้าจำพวกครับมานภายในก็ส่วนหนึ่งนะนมานภายนอกก็ส่วนหนึ่งมานภายในก็กิเลสมานขันธมานอภิสังขารมานพวกนี้มัดจุมาันนี่ทำลายตัวเองทําให้ตายแล้วก็ มารข้างนอกเนี่ยเล็กเทวปุตตมารไอ้พวกที่มีริดมีเดชอะไรที่ขี้ฉาอะไรนียแกล้งเนั้นวิธีก็ต้องป้องกันตัวเป็นเจริญเมตตาไว้เจริญเมตตาคิดถึงพุทธเจ้าสิ่งที่ชนะมารได้ก็คือพุทธเจ้าเท่านั้นแหละครับหลวงพอ่อของคุณนะจิตไม่เข้าบ้านนะจิตออกข้างนอกให้เรารู้ทันว่าจิตออกนอก แล้วเอาความรู้สึกจับไปที่ลมหายใจแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนะอย่ามากนะนะครั้งเดียวสองครั้งนะคะแนนที่พอละตัวตนี้กระต่กี้ต่างกันดูออกไหมนะอย่าให้มันหนีไปถ้าต่อไปการบำเพ็ญการของพ่อครับที่ผ่านมานี่คือผมเห็นจิตแล้วก็ปวดแล้วก็เจ็บฮะอะไรนะ เห็นจิตมันหนักๆฮะแล้วมันเหมือนปวดบวดเจ็บเจ็บนในร่างกายหรือในจิตในจิตครับแต่ช่วงนี้เขาเบาไปอน ะ, จะเจริญเมตตาไว้ครับเวลาเราจะข้ามพพข้ามชาตินะมนันไม่ปล่อยหรอกขนาดพระโพธินะสัตว์เสียตรัสรู้นะมนันยังต้องมาขวางเลยของเราผลกรรมเก่าๆทา่เีก็มารวดเราแกล้งเรา ที่พวกที่อาฆาตพยาบาทเราก็มีพวกมารก็มีกแกล้งทำลายให้ใจเราหวัน่นไหวเราก็สลับชีวิตเลยไ ม, ไม่ถอยคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ถ้าจะเจ็บถ้าจะตายนะขอถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาีคิดอย่างนี้เลยนะเพราะพระพุทธเจ้าก็สู้มาครับเราลูกหลานพระพุทธเจ้าบาปกรรมของคงทมาเยอะกว่าท่านเสียอีกไอ้ที่จะสบายนักหนาเนี่ย พอฝันไปหน่อยเนะต้องทุกบ้างแหละสู้เอาขอบคุณครับน้ำมัสการครับหลวงพ่อคือผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับแต่ก็ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาลวพ่อรู้คนที่ฟังซีดีหน้าตาไม่เหมือนคนธรรมดาหน้าตาผิดมนุษย์ครับก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนาครับว่าควรจะปฏิบัติยังไงเห็นไหมกลกับใจคนละอัน เห็นไหมว่ากายกับใจมันเป็นโคล่าอันกันเห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจก็เป็นโคล่านสุขทุกข์ดีชั่วนะผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปให้คอยรู้เท่าทันจิตไปจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะรู้สบายสบายไปได้ฝึกแบบนี้ก็พอแล้วือจริตอย่างผมนี่ควรดูจิตใช่ไหมครับช่างคิดไหมล่ะถ้าช่างคิดนั่นแหละต้องดูจิต เพราะ <c oughs> จิตตานุปัสสนาเหมาะกับพวกที่ทีจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นดูแล้วมันได้อะไรดูแล้วมันจะเห็นว่าจิตนี้แหละมันจะคิดมันก็คิดได้เองมันทำอะไรก็ทําได้เองต่อไปไอ้ความเจ้าความคิดเจ้าความเห็ น, นจะลดลงนะมันจะเห็นเลยอูย้มันกิเลสหลอกหลอกเราไม่มีอะไรเวลาใจหนีไปคิดรู้ไหมดูใช้ได้แล้วล่ะ ตรงที่ใจหนีไปคิดนั่นเราได้สมาธิที่ถูกคือจิตใจจะอยู่กับเนืก็ตัวถ้าจิตใจอยู่กับเนือก็ตัวเราก็เห็นสภาวธรรมทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นไหมเวลาใจวิ่งมาหาหลวงพ่อเห็นไหมเวลาใจวิ่งไปคิดสลับไปสลับมาตลอดเวลาเลยเห็นไหมมันทําได้เองไปดูนะว่ามันทําได้เองดูในมุมของอนัตตาไว้มุมอื่นเอาไม่ลงหรอก แล้วแล้วอย่างผมนี้คือทำธรรมะได้ไหมครับต้องทำจิตนะทําอะไรมากไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดบทสั้นๆ น, นะนโมตัสสะพระพุทตัวนะตโตสัมมาสมัมพุทธัสสะสวดวันหนึ่งหลายๆร้อยรอบก็ได้ใช้ใช้สวดมนต์ครับหรือว่าควรจะทํากรรมฐานกองไหนครับช่างคิดอ่ะช่างคิดอ่ะสวดมนต์ไปก็ได้นะครูบาอาจารย์ถ้าเล่นพุทโธพุทโธด้วยซ้ำไปเวลามันจะคิดมากนะก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เวลาใจมันไม่ค่อยคิดกับพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธแล้วก็รู้ทันใจพุทโธแล้วใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธแล้วเกิดสุข ก, ก็รู้พุทโธแล้วเกิดทุกข์ก็รู้ที่ท่านฝึกกันฝึกพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปเดินปัญญาต่อไปได้ด้วยแต่กรรมฐานนะไปดูเอานะทำอันไหนแล้วสบายใจก็เอานั้นแหละมันจะสงบไปดูเอาก็แล้วกันครับหลวงพอสอนหลักให้ช่วยตัวเอง นามัสการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้หนูไปดูตัวโทสะที่เกิดขึ้นวัยวัยะค่ะก็กลับไปดูก็เห็นเกิดขึ้นเยอะมากค่ะในชีวิตประจําวันแล้วหนูรู้สึกสบายขึ้นไหมสบายค่ะคือเห็นตัวเล็กๆลกน้อยน้อยก็เห็นนะคะและรวมทั้งกิเลสอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยเกิดดับเกิดขึ้นที่มากค่ะในชีวิตประจําวันดีค่ะ เนี่ยเวลาหลวงพ่อให้ทํากรมารมฐานแล้วทําไปนะไม่ดือ้อมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยเราชี้โปโหแล้วก็เอาจิตมีโทสะเนี่ยเป็นฐานนะแล้วต่อไปมันก็เห็นอย่างอื่นด้วยไม่ได้เห็นอยู่แค่นั้นหรอกดีถูกลแล้วแลมันรู้สึกว่าทําให้รักษาสีได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกเมตตาคนอื่นได้มากขึ้นด้วยค่ะดีแต่ความดุของหนูยังสะสมมาเยอะนะค่ ะ, จะเจริญไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะ หลวงพ่อมีอะไรแนะนําให้ทําเพิ่มเติมไหมคะเราไม่ประมาทน ะ, ะถึงจุดหนึ่งบางทีสติแตกโมโหโปลิดขึ้นมาได้อีกนะมันไม่ใช่ว่าหายแล้วหายเลยในอันนี้เพระเราสติเราดีขึ้นมันก็แสดงริดได้ไม่เต็มที่แต่สติยังเป็นของไม่เที่ยงมันยังไม่ใช่อริยมรรคสติของเราตอนนี้มันเป็นสติในฝ่ายยังเป็นโลกียะอยู่เพรา ะ, ะนั้นมันเสื่อมได้ เวลามันเสื่อมกิเลสจยขึ้นมาได้อีกไม่ต้องตกใจแล้วดูไปอีกดูไปจนวันหนึ่งมันเป็นสมมาสติเป็นขั้นมรรคแล้วล้างกิเลสแล้วก็ล้างเลยตอนเนี้ไม่กลับมาอีกล ะ, ะแต่ตอนนี้ยังกลับได้อยู่งั้นไม่ประมาทเท่านั้นแหละนะดูไปหนูดีขึ้นเยอะเลยใช้ได้ขอบพระคุณค่ะ กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็มีการปฏิบัติในรูปแบบเวลา15บานาทีแล้วก็มีทำา KPI ด้วยวค่ะค่ะเป็นตารางก็จะมีตื่นมาก็มีฉันเป็นคนมีศีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรูปแบบ15นาทีรู้สึกตัวค่ะแล้วก็มีดูสภาวะค่ ะ, คะก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องสีนะคะออค่ะทำได้อย่างนั้นก็ดี แต่ต่อไปมันไม่ต้องคอยมาบอกเรานะมันจะเป็นอัตโนตมัติขึ้นมาเครื่องมือนี้ก็ใช้ในช่วงแรกเท่านั้นแหละพอเราชำนาญแล้วมันก็ไม่ต้องมาใช้เครื่องมือเ ก, ก, กอะกะหลวงพ่อได้ยินทีแรกง ง, งๆอะไรนะ KGB หรืออะไรเดี๋ยวนี้มีดรเมาสดรเมาสไปเอาไอ้เรื่อง K อะไ ร, ะไรงงงนี่แหละ KPI ค่ะ KPI เอาธรรมะที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละ ไปทำเป็นตัวชี้วัดนะเป็นตัววัดตัวเองว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ตื่นนอนมาก็ให้บอกตัวเองว่าฉันจะเป็นคนมีศีลได้หนึ่งคะแนนอย่างเงี้ยดีไหมก็ดีเหมือนกันแต่ต่อไปเราไม่ได้ทำเอาคะแนนหรอก <c oughs> เราทำเอามาผลนิพพานตอนนี้ <c oughs> เอาคะแนนไปก่อนไม่เป็นไรค่ะก <c oughs> <å> ็คือว่า ก็ทำไปก่อนจนมีวินัยใช่ไหมคะใช่ก็มาส่กันบ้างตัวตัวนี้จะได้วินัยจะแก้ขี้เกียจแต่ด็อกเตอร์เมาเองก็บอกว่าตั้งหลาย1ิบคนนะทำได้1ิบคนนอกนั้นไม่มีวินัยค่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าฟุ้งบ่อยค่ะมีความฟุ้งแล้วก็บางทีก็มีการแทรกแซงค่ะดีได้อย่างนั้นก็ดีแล้วฟุ้งรู้ว่าฟุ้งแทรกแซงรู้ว่าแทรกแซง ก็ถูกแล้วนี่ก็ <Yeah. S 2> มาขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะอย่าไปบังคับมันดูอย่างที่มันเป็นยังแทรกแซงอยู่ยังชอบแทรกแซงเราก็มีติดภาคด้วยค่ะภาคนี้ห้ามไม่ได้นะภาคเนี้ยภาคหลายปีกว่าจะเลิกภาคหลายปีทนทนฟังมันภาคไปก่อนได้ค่ะห้ <Yeah. S 2> ะามมันไม่ได้ก็ต้องทนะนห้ามมันไม่ได้ก็ต้องทนแหละ เหมือนใครมีเมียขี้บนนะ่นห้ามไม่ได้ก็ต้องทนฟังเอาหรือสามีนิสัยไม่ดีเลิกกับมันก็ยังไม่ได้ก็ต้องทนเอาเนี่ยใจนี่มันขี้บ่นนะชอบภากห้ามมันไม่ได้ทนเอาค่ะเราก็กรรมฐ า, านตอนนี้ก็จเจริญเมตตาค่ะดีหมามากเลยค่ะหนะุ่หมชีโมโหค่ะคะะต่อไปขอบคุณค่ะคนนี้จะถามอะไรพาวนาใช้ได้ น้มันสการค่ะออหนูจะถามว่าพอดีหนูลองดูเวทนามีมีคนสอนให้ดูเวทนานะคะให้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับทีนี้หนูดูแล้วมันก็ไม่ดับสักทีหนึ่งเวทนาเนี่ยนะไม่ใช่เกิดดับได้ตามใจหรอกไม่เหมือนกิเลสกิเลสเนี่ยถ้าเห็นปั๊บนะสติไปรู้ทันกิเลสนะกิเลสดับทันทีแต่เวทนาเนี่ยเป็นวิบากมันไม่ได้ดับเพราะเราไปเห็นนะมันเป็นผลของกรรม นันกรรมดีให้ผลอยู่ความสุขนี่ก็ยังมีอยู่กรรมชั่วให้ผลมาความทุกข์นี่ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยห้ามมันไม่ได้เป็นตัววิบากแก้ไม่ได้เพราะงั้นจะไปดูเวทนานะดูให้เห็นเกิดดับยังไม่เกิดดับตามใจชอบหรอกให้ไปดูว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเรามันมาเองมันไปเองมันสั่งไม่ได้ไปมองมุมนี้นะ หนูก็เลยเปลี่ยนมาดูความฟุ้งซ่านของหนูเองเออได้ทีนี้ฟุออ้งซ่านเนี่ยถ้ารู้ทันทีจะดับทันทีขาดหนูก็เพิ่งรู้ว่าวันออวนหนึ่งหนูคิดแต่เรื่องเดิมๆจริงๆหลวงพ่อบอกให้รู้ว่าแค่คิดแต่บังเอิญมันอาจจะรู้ไม่ทันค่ะรู้ไปแล้วว่าคิดว่าอะไรออประมาณเป็น10เป็น100เกินอาจจะเป็นร้อยครั้งออคิดเรื่องเดิมๆค่ะท่านคนที่ชอบคิดเรื่องเดิมๆลดเครียดนะมีวิธีการอย่างหนึ่งนะหาสมุดบันทึกมาเล่มหนึ่งพอเป็นคิดเรื่องเดิมนะติ๊กหที ไปเรื่อยๆนะแล้วตอนหลังมันจะเข็ดใจเนี่ยมันจะเข็ดเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วจะคีดเลือกนี้อีกแล้วอย่างนี้นะมันเลิกเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะลองไปทาดูถ้าชอบคิดซ้าซาก น, นะเขียนเลยหรือถ้ า, ถ, าถ้าบ่นซ้าซากนะบ่นหนึ่งครั้งขีดหนึ่งทีแต่ต้องเจ้าตัวขีดเองนะถ้าคนนี้ขี้บ่นเราไปขีดแทนเ้าเนี่ยไม่ได้ผลเขาจะขีดหัวเราเอานะ ค่ะหนูก็เลยเลิกคิดเลยเพราะว่าพอหนูรู้ว่าใช้เวลาทั้งหมดไปกับไร้สาระใช่ไหมเสียเวลาพอเราเห็นหูคิดซ้ําอยู่ตั้งแค่นี้มันจะเลิกใจมันจะฉลาดหนูก็เลยพยายามแยกธาตุแยกขันธ์อย่างที่ท่านก็คิดว่าพอได้บ้างเล็กน้อยค่ะพอได้บ้างขันธ์มันมีอยู่เล็กน้อยมีแค่ห้าแยกได้ก็แค่แยกแค่ห้านี้แหละแยกได้เล็กน้อยแต่แค่นี้แหละไม่มีหกเลย หนูขอคําชี้แนะค่ะแล้วก็ขอถวายการปฏิบัติทั้งหมดเป็นพุทธบูชาเออสาธุขอคําชี้แนะด้วยค่ะว่าหนูควรจะทํำยังไงใจเราฟุ้งเก่งค่ะหาเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทันจิตไปจะอยู่ยกับพุโทโธลมหายใจอะไรก็ได้แล้วก็รู้ทันจิตไกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมเพิ่งฟังซีดีแล้วก็เริ่มฝึกดูจิตได้มาประมาณเดือนกว่า2เดืนเยอนระยะทีห่หลวงพ่อผมทาถูกวิธีไหมฮะเห็นกิเลสยัง บบ้างครัออตัวไหนเกิดบ่อยโรคโกรธหลงทั้โลคทั้งโกรธนะตัวไหนเกิดบ่อยนะเราก็เอาตัวนั้นเป็นฐานเป็นหลักไวนะ้พอมันเกิดเราก็รู้มันหายไปเราก็รู้เพราะว่าโลคบ่อยโกรธบ่อยก็เห็นโลคเกิดแล้วก็ดับโกรธเกดิดแล้วก็ดับนะหัดดูเรื่อยๆช่วงแรกๆดูอย่างนี้นะแล้สติจะดีขึ้น<ม>การ<ม>ที่เราหัดดูสภาวะบ่อ ย, อยๆเนี่ยเบื้องต้นที่เราจะได้คือได้สติ เพราะจิตจะจําสภาวะได้แม่นจิตมันจําได้ว่าความโกรธเป็นอย่างนี้ความโลภเป็นอย่างนี้พอโกรธปุ๊บมันจําได้นะสติจะเกิดเองนี่พอสติเกิดแล้วต่อไปศีลสมาธิปัญญานี่จะค่อยๆงอกงามขึ้นนะงั้นเราหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแล้วอย่างจะเดินปัญญาต่อจากตรงนี้ก็ทําได้นี่มันจะเห็นเลยว่าจิตจะโกรธมันก็โกรธได้เองจิตจะโลภก็โลภได้เองห้ามไม่ได้อันนี้ไม่ได้คิดเอาจะเห็นเอา เพราะฉะนั้นคุณไปหัดเห็นสภาวะบ่อยๆนะสติมจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นศีลสมาธิเป็นอย่างจะดีขึ้นสตินี่เป็นของสำคัญที่สุดเลยพระเจ้ายกย่องสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากสัมปชัญญะเป็นความรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรรู้รรู้ตัวไม่หลงลืมสิ่งที่เราควรจะกระทำสติเป็นตัวรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทัน คูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมาหนะลวงูเทสสอนว่าสติจำเป็นใน ท, ทุกสถานในการทุกเมื่อว่าเราฝึกสติให้มากวิธีจะให้เกิดสติก็คือหารู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดเองนะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้สอนเองนะเ น, นี่ยอยู่ในตำราของเราเลยละ่ะตอนนี้ใจเป็นยังไงใจรอบใจโกรธใจหลงใจสุขใจทุกข์สุขใจสุ ข, สขใจขใจสุขก็เห็นใช่ ไ, ไม รู้ไปเรื่อยนะต่อไปมีความสุขขึ้นมาปุ๊บจะรู้เองมีความทุกข์ปุ๊บจะรู้เองตรงที่รู้ได้เองนี่แหละปัสติมันเกิดอันตโนมัติ่ะนะแล้วศีลสมาธิปัญญาจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นตัวนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยเครื่องมือสร้างเครื่องมือก่อนกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะที่ผ่านมาลูกอยู่ต่างประเทศตลอดเคยได้มีโอกาสกับมาสงการบ้านหนึ่งครั้งเมื่อสองปีก่อนท่านดูให้ว่า หวังสง่งแล้วก็หวังผลเร็วๆไปอตอนนี้ก็ก็ปฏิบัติให้เป็นปกติไม่คิดอะไรก็ผ่านมาก็ทํามาตลอดนะคะใช้วิธีสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็เดินจงกรมอีกอย่างหนึงแต่ที่ผ่านมาเหมือนเดินเดินจงกรมทีไรมันมันเหมือนจะเคลิมหลับทุกทีนะคะไม่ทราบมไม่ทราบว่าทํามานานแล้วมันมันมีมีการเปลี่ยนแปลงมันเหนื่อยมากหรือเปล่าหรื อ, อยังไงทําไมมันเดินแล้วหลับ แล้วยิ่งถ้าฟังสวดมนต์ไปด้วยมันจะเคลิมแล้วเมือนไม่ปกติที่เราธรรมาหากินอยู่หรือเราใช้ชีวิตอยู่นี่มันเหนื่อยมากไหมสงสัยว่าตอนเย็นอาจจะเหนื่อยถ้าเย็นเย็นทำไม่ไหวแล้วก็ทำแต่เช้าค่ะพอดีมีภาระนอนให้เร็วขึ้นตื่นให้เร็วขึ้นคือที่ผ่านมาไราับเเป็นปรับเวลานิดนึงจะช่วยตัวเองได้ ท, ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติแล้วมีความก้าวหน้าไปหรือเปล่าแต่บังเอื่นว่าเมื่อเดือนก่อนนี่มีอุบัติเหตุตกมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอดีมีรถแท็กซี่วิ่งสวนมาตอนช่วงนั้นเนี่ยมันจะเห็นตัวเองค่อยๆตกแล้วก็ดูเป็นเหมือนเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่ตกใจ เ, ออเลยนะคะมันเป็นช็อตๆเลยน ะ, ะกระดิกมาตรงนี้หัวมาตรงนี้แะ แล้วเมืโชคดีว่าแท็กซี่มาช้าก็เลยหยุดทันก็ลุกขึ้นมาก็ไม่มีความรู้สึกว่าตกใจอะไรอะไก็เลยมานั่งคิดดูว่าสงสัยนั่นแหละผลของการภาวนาสมมติว่าเราตกลงไปจริงๆนะแท็กซี่ทับเราตายนะแล้วก็สุขติช่วงนั้นเราคิดเลยค่ะว่าเออเรากําลังจะตายหรือเปล่าพอดีเห็นแท็กซี่ค่อยๆเขยบใกล้เข้ามาแต่ช่วงนั้นมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตกใจหรืออะไรก็เลยนั่นแหละจิตที่เราฝึกไว้ดีแล้วเป็นอย่างนั้น เวลาฉุกเฉินที่มานะมันช่วยตัวเองได้คนอื่นน่ะตกลงไปกรีดกีดเลยดิ้นใหญ่กระโดดหลบแท็กซี่อีกเลยมุดเท่าใต้รถแท็กซี่เลยเพราะมันไม่มีสติไม่ไม่ทราบว่าลูกจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปตามได้นะอะไรปรับปรุงแต่ว่าทำใจให้สบายหน่อยใจมันเครียดไปภาวนาก็อย่าไปเคร่งเครียดนะ ไหว้พระส่วนมนต์ตามปกติตามปกติแต่ว่าเราตั้งใจว่าเราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรถ้าเราปฏิบัติก็จะหวังว่าจะดีใจอย่างโน้นใจอย่างนี้น ะ, ะจะเครียดไปแล้วไม่ทราบจะลูกจะขอโอกาสให้สามีได้ไหมคะพอดีเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าทํ า, า ม, มาด้วยกันแล้วก็ฝังไทย<ส>ได้ไหมพอฟังได้ค่ะอยู่ไหนล่ะค่ะ okay. มีปัญหาอะไรคืออย่างนี้ค่ะก็ฟังซีดีแล้วก็สวดมนต์ไม่ได้วยกันแต่ว่าที่ผ่านมาเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าตัวเองเพ่งตลอดแล้วเวลาเขามีคําถามว่าเวลาตั้งใจว่าจะปฏิบัติแล้วพอเริ่มปฏิบัตินี่เขาบอกว่ามันคือเพ่งหรือเปล่านะคะสําหรับเขาเขาจริงจังไปอกรรมฐานที่เหมาะกับเขานะั่นคือการเจริญเมตตา<อ> นั่งบริกรรมแต่สัตว์ทั้งหลายภาษาของเขาเองก็ได้นะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดเนี่ยมีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายได้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทําแล้วอะไรเงี้ยกับส่วนสองอย่างก็พอแผ่เมตตาไว้ดีที่สุดเลยนะโทสะโทสะแรงใช่ค่ะไม่ไม่ทราบสมาธิไม่ต้องนั่งใช่ไหมแผ่เมตตานี่แหละจะเกิดสมาธิเพราะใจจะมีความสุขเพราะมีความสุขสมาธิเกิดเลยได้ค่ะ หรือสวดภาษาแขกสั้นๆก็ได้เมต่าสวดมนต์ได้ค่ะแผ่เมตตาก็สวดนะสวดอย่างนี้ก็ได้ของสมเด็จโตเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรหังเมตตานะฟังเที่ยวเดียวก็จำได้แล้วอันนี้การนัันการหลวงพ่อค่ะสงการบ้านในรอบสองปีครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอยู่ในทางนะคะยมก็ไปพักเพียนรู้สึกจิตก็ตั้งมั่นขึ้นนะคะ แล้วเมื่อเดินเมษาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่เห็นจิตเขาเกิดดับเลยค่ะเออดีแล้วตอนนี้ตัวรู้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะจิตก็ไม่ใช่เรามันเกิดดับได้เองไงค่ะใช่แล้วพอในระหว่างชีวิตประจําวันนี่มีบางครั้งรู้สึกว่ามันไม่มีเราอค่ะเดินเหมือนกับมีตัวรู้อยู่ตัวเดียวเออแต่ตัวรู้บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรานะยังเป็นอยู่ไม่ใช่เป็นเราอยู่นะยังไม่ได้โสดาแต่ทําถูกแล้วล่ะทำไปเรื่อยๆจนกันทั่งวันหนึ่งเนี่ยจิตมันรู้ความจริงแล้วว่า กระทั่งจิตก็ไม่ใช่เรานะถ้าถึงตรงนี้มันจะขาดอาริยมรรคก็จะเกิดอแล้วตอนนี้จิตเขาตั้งมันจะดูกายดูใจได้บ่อยขึ้นนะคะดีและวตนนี้จะเห็นทุกข์เยอะมากหมดดูออ<จ>กายก็ทุกข์ดูจิตก็ทุกข์แต่อย่าไปโหดร้ายกับมันนักนะต้องสงสารเออสงสารมันบ้างถ้าจอนนี้บางทีมันเบื่อคะ่ะช่วงเนี้ยหลวงพ่อแล้วก็ต้องไปนั่งทําสมาธิแบบให้มีพลังขึ้นมาให้ดูไปใจมีโทสะ เบื่อยังมียังไม่ยังมีตัวต่างอยู่เช่นกันตัวนี้นี่พี่ถาวงพ่อถึงบอกอย่าไปโหดร้ายกับมันค่ะมันโมโหแล้วอย่างนี้เราต้องเจริญเมตตาเยอะๆเออเจริญเลยนะแล้วของคุณอ่ะเจริญเมตตาแล้วดีนะเพราะจริงๆเป็นคนขี้โมโหค่ะแล้วของโยมต้องมีอะไรปรับตรงไหมคะหลวงพ่อก็เรื่องนี้แหละนะเรื่องที่เรื่องมันจริงจังไปจริงจังต้องผ่อนคลายใช่ไหมถ้าพอนาให้มันสบายใจได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมัน เวีนกรรมกรรมของแกแกไม่ได้ครั้คราวที่แล้วหลวงพ่อก็บอกว่าปฏิบัติแต่ว่าอย่าโลภก็เลยไม่โลภแต่แค่ตั้งเป้าสดาวันตั้งเป้าได้นะแต่ตอนที่ภาวนาเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันได้เมื่อไหร่ก็ได้ของโยมเนี่ยมันมันโลภไม่เลิกเลยไม่ได้ต้องปล่อยใช่ไหมมันจะเอาหรือจะเอาจะเอาเร็วๆนั่นแหละปัญหามัอยู่ตรงนี้คือใจมันเลยไม่เป็นกลางต้องเป็นกลางก่านี้นะคะหลวงพ่อกราบขอพระคุณค่ะและโยมตั้งใจปฏิบัติทำถวายเป็น พุทธบูชาและถวาย ห, หลวงพ่อด้วยค่ ะ, ะสาธุนะแต่หลวงพ่อเนี้ยอิ่มเมอิบลูกสิษย์ถวายการปฏิบัติฟังแล้วดีนะฟังแล้วมีความสุขกรับนมำสการพ่อจารย์ครับเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายปีที่แล้วที่วัดสนสันติธรร ม, มนะครับก็นับไป แ, แต่วันนั้นมาผมก็ตั้งใจปฏิบัติมาตลอด จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าสติเกิดทีขึ้นแล้วก็สมาธิเกิดง่ายขึ้นจูกครับรักษาศีลด้ดีขึ้นครับทีนี้ในส่วนของการเจริญปัญญายังไม่แน่ใจว่าเขาทำเขาเองหรือว่าจงใจมากเกินไปอะไรเขาทำได้ครับอย่าไปกังวลว่าไม่เจริญปัญญานะมันเจริญได้ไม่ต้องกังวลหรอกทำมาถูกแล้วล่ะ อ, อีนี้เนื่องจากว่าอายุมากแล้วก็จะตื่นตื่นบ่อยตอนกลางคืนนะครับก็เลยถือโอกาสนั่งสมาธิปฏิบัติในรูปแบบไปเลยเออดีจังเพราะว่าถ้าขืนนอนต่อไปมันก็ฟุงสร้นก็เลยก็เลยถือปฏิบัติในรูปแบบอคดีแต่ตอนปฏิบัติเนี่ยสังเกตดู ว, ว่ามันมั น, ม, นมันมักจะเพ่งไปเพ่ง แล้วก็อยากให้มันหายแต่ น, นี้เมื่อกี้ฟังหลวงพ่อบอกว่าเออต้นนั้นต้นนี้มันเข้าไปแทรกแซงแล้ว<ส> ก, ก็เลยรู้วิธีแล้ว่นะรู้แล้วนะไปทำเอาที่ยอมฝึกใช้ได้ละดีคือตั้งเยอะแล้วขอบพระคุณครับครับเราได้ฟังทมแล้วก็ถามตอบกันตามสมควรนะครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศ า, าลากล่าวคาถวายทา น, นครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรรโสยาทามนีโชติรโสยาทาสัพีติโยวิวัตชนตุสัพรโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโน จะตาโรธรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ